ฉันมันไม่ทันคิดทำอะไรผิดไปกับเธอหลยอย่างและไม่เคยแค่อะไรที่เธอนั้นคอยถามคอยห่วงฉันก็มองว่าเธอห่วงจนแค่ไกบอกให้เธอไปไกลไกลแต่ตอน คนที่เอาแต่พลักไสปวดหัวใจมองอะไรก็เป็นภาพเธอ<ฮ>จบไปกันไหนหา ก, กันก็ไกลแต่ใจทำไมยังรานและคิดทุกวันว่าอยากย้อนไปทำอะไรติด ขออภัยให้เธอหายโกรโปรดกลับขึ้นมาได้ไหมถึงจะช้าแต่ขอบอกไว้ให้เธอรู้หมดใจอยากเจอ ผลักไสปวดหัวใจมองอะไรก็เป็นภาพเธอจบไปกันได้ห่าง ก, กันก็ไกลแต่ใจทำไมยังรักและคิดทุกวันว่าอยากย้อนไปทำอะไรติดีิด The. <laughs>